อา่าเตรียมตัวนั่งสมาธิจเจริญอาณาปานาสติโทรศัพท์ถ้าเป็นไปได้ก็ปิดระบบสันเปิดเป็นระบบสันไว้อืมแต่ถ้าเรารู้ตัวเราว่าเราไม่ได้มีทุระจําเป็นอะไรสําคัญนักมันไม่ใช่เออปิดเลยเราไม่ได้ใจว่าอปิดเลยชั่วคราวไม่นานหรอกวันนี้ ส่วนใครที่พร้อมแล้วก็นั่งสมาธิเลยนั่งตัวตรงเรียกความรู้สึกตัวกลับมาก่อนลำดับไล่ความตามที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของการเจริญอาณาปานสติพระพุทธเจ้าลำดับความมาตั้งแต่เมื่อหาที่นั่งได้แล้วเนี่ย ท่านายอุชุงกายยังบาลนิทา ย, ยะคือตั้งกายให้ตรงเราปฏิบัติตามพระบาลีที่อัตา ม, มาบอกเรียกว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระสุคตอุชุงกายยังบาินิทา ย, ยะตั้งกายให้ตรงสติมุขขั้งปริตตเปตวาดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าน้อมความรู้สึกเข้า ม, มาอยู่ที่เฉพาะหน้า จากนั้นวางสติไว้ในช่องจมูกซึ่งเป็นช่องสาหรับที่ลมเดินผ่านทั้งไหลออกและไหลเข้าเริ่มทดสอบรู้สึกกับการที่ลมหายใจไหลออกแล้วรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกเริ่มทดสอบศึกษารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าเริ่มทดสอบรู้สึกศึกษากับลมหายใจที่ไหลออก ว่าจิตรู้เป็นอย่างนี้ลมหายใจเป็นอย่างนี้ไหลออกเป็นอย่างนี้ไหลเข้าเป็นอย่างนี้ค่อยๆรู้ไปแล้วก็ปลดความกังวลใดๆทั้งสิ้นออกไปให้หมดยังคงเหลือแค่กายที่ตั้งอยู่นี้กับจิตรู้และลมหายใจที่ถูกรู้ลมหายใจเคลื่อนออกรู้ลมหายใจเคลื่อนเข้ารู้ เราแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าสภาพทาใดที่ปรากฏขึ้นมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดสภาพทาใดที่ดับไปมันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ดับไม่มีนัยยะไม่มีความหมายไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปยึดถือเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนที่จะต้องไปปรุงแต่งอะไร หายใจออกก็แค่รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าก็แค่รู้ว่าลมหายใจเข้าสภาพทำใดที่เกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นสภาพทำใดที่เกิดแล้วดับก็รู้ว่ามันดับแค่รู้ว่าเกิดแค่รู้ว่าดับแล้วแค่รู้ว่าลมหายใจมันไหลออกลมหายใจไหลออกอย่างไรก็แค่รู้ว่ามันไหลออกอย่างนั้นลมหายใจไหลเข้าอย่างไรก็แค่รู้ว่ามันไหลเข้าอย่างนั้น รู้ที่เกิดขึ้นนี้แหละเป็นรู้ที่เป็นที่อาศัยของจิตเป็นรู้ที่ที่ตั้งของสติสติก็อยู่กับรู้นี้และรู้นี้เกิดต่อเนื่องไปก็เป็นสมาธิความสว่างสวยความสว่างสวัยความรู้รอบอันเกิดขึ้นจากการที่สภาพธรรมปรากฏความสว่างสวยัยอันเกิดขึ้นจากความที่สภาพธรรมดับ บูรู้ความเกิดความดับของสภารทำนั้นๆเลยชื่อว่าปัญญาสติสมาธิปัญญาค่อยๆค่อยๆตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็อาศัยความต่อเนื่องความต่อเนื่องทำทำไปเรื่อยๆสติสมาธิและปัญญาของเราก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแต่ในเบื้องต้นนี้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจออกลมหายใจไหลเข้าก็รู้ลมหายใจไหลเข้าเป็นลําดับไป สำหรับบางคนนะคนอื่นก็ทำต่อไปเรื่อยๆบางคนที่รู้สึกว่าข้างในมันเคลื่อนไหวกันเยอะเหลือเกินให้จัดลำดับการปฏิบัติของตนให้มันเข้ากับอาณาปานนสติที่ถูกต้องก่อนอย่าวิ่งตามลมหายใจ เราเคยปฏิบัติอะไรมาไม่เป็นไรแต่ปล่อยวางไว้ก่อนเราแค่มารู้ลมหายใจที่ก่อนลมหายใจเราเนี่ยมันมีการไหลออกไหลเข้าทางช่องจมูกเราแค่วางจิตไว้ที่ช่องสมูกและสังเกตว่าเรารู้สึกกับลมหายใจของเราได้ตรงไหนที่ชัดเจนเราก็วางไว้ตรงนั้นจิตที่รู้นะั้เหมือนกับ เราพอที่อยู่ในป้อมยามของหมู่บ้านที่ตั้งของจิตรู้ก็เหมือนกับป้อมป้อมยามลมหายใจเหมือนรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกราพอที่นั่งอยู่ในป้อมยามสามารถที่จะรู้เรื่องรถที่วิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในหมู่บ้านนั้นได้อย่างไรจิตเราก็ทําอย่างนั้นตัวรู้ข้าวอยู่ต่างหากทุ่งที่ช่องช่องช่องทางเข้าลเข้าออกของลมคือที่ช่องจมูก แต่ลมหายใจก็เคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเราแค่รู้ลมหายใจที่เคลื่อนออกไม่ต้องวิ่งตามลมหายใจไม่ต้องวิ่งตามออกไปแล้วก็ไม่วิ่งตามเข้าไปเคว้าอยู่นิ่งๆรู้แค่ลมมันผ่านออกมาลมมันไหลเข้าไปอย่างนี้จิตที่รู้เป็นนิสิตะเป็นอนิสิตะมันมันแค่รู้จริงๆไม่มีตัณหามนต์ที่ถิงอาศัยอยู่รู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ และสภาพธรรมใดก็ตามที่ปรากฏเกิดขึ้นมาไม่ให้ความสําคัญในสภาพใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่รู้อะไรเกิดขึ้นก็เพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปคําว่าสภาพธรรมในที่นี้รวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวทนาทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างเช่นว่าความรู้สึกอื่นๆในร่างกายเช่น เกิดรู้สึกคันเกิดรู้สึกเจ็บเกิดรู้สึกปวดเกิดรู้สึกเมื่อยเป็นต้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็รวมอยู่ในสภาพธรรมที่ปรากฏนี้ด้วยเพราะมันรู้สึกเมื่อยเราก็แค่รู้ว่ามันเมื่อยปรากฏแล้วเราก็ไปรู้ลมหายใจอีกพอเมื่อยมันหายไปเราก็แค่รู้ว่ามันหายไปแค่รู้ว่ามันหายไปแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแค่รู้ว่ามันหายไปทุกๆสภาพธรรมที่ปรากฏ แล้วก็รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าอย่างนี้ไม่ต้องไปสงสัยอะไรไม่ต้องไปตั้งความหวังกับอะไรไม่ต้องไปคาดหมายสิ่งใดรู้แต่ในขณะ น, นี้มีลมหายใจที่ถูกรู้กับมีจิตที่รู้ลมหายใจเท่านั้นหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ดําเดิอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าดูมันตึงมากถ้ามันตึงมากแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็รู้ใหม่อย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเสียโอกาสนะถ้ามาดูมันตึงมากเราไม่จำเป็นต้องอยู่กับความตึงอย่างนั้นเราก็ขยับกายให้มันผ่อนคลายแล้วก็รู้ลมหายใจใหม่ต่อไปแค่เริ่มต้นใหม่เฉยๆแต่ความเพียรยังคงติดต่อ Thank <sighs> you. จิตแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกแค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าแล้วก็ยกจิตออกมาจากลมหายใจรู้อยู่ที่ใบหน้าของตนรู้เฉพาะหน้าของตน แล้วกำหนดจิตที่มือข้างาขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกและเคลื่อนมือขวาไปช้าๆวางไว้ที่ข้อขวาแล้วยกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือใช้ให้จิตรู้สึสกและเคลื่อนมือซ้ายไปช้าๆวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายแล้วยกจิตกลับมาสู่ใบหน้าอีกครั้งหนึ่งเมื่อจิตรู้สึกอยู่ที่ใบหน้าแล้ว ประหกหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิก็ได้เวลาสมควรในภาคเช้าเวลาเราออกจากสมาธิใหม่ๆนี่นะให้สังเกตว่าจิตเรามันยังนิ่งอยู่เรียกตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญายังยังอยู่กับจิตจิตยังมีกําลังของสติยังมีกําลังของสมาธิยังมีกําลังของปัญญา ให้สังเกตดูมันมีความนิ่งความสงบเกาะอยู่ที่จิตในความสงบนี้มีสติสมาธิและปัญญาวิธีฉลาดเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วแต่สติสมาธิและปัญญาที่มีกำลังตัวจิตอยู่เราก็เคลื่อนไหวด้วยการใช้สติอย่าให้มันเตลิดออกไปเราจะเปลี่ยนถ้านั่งจะลุกขึ้นจะเข้าห้องน้ำหรือจะกราบจะอะไรเนี่ย ให้ใช้สติเป็นตัวรู้ต่อการกระทำทุกขณะทุกขณะทุกขณะจะดื่มน้ำก็รู้จะลุกก็รู้จะนั่งก็รู้แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าให้บังคับเขาไปช้าๆไม่ใช่ให้ไปตามปกติคือรู้ตัวให้มากที่สุดในการเคลื่อนไหวก็จะสามารถทาให้สติสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่มันยังเกาะอยู่ยังสงบอยู่เนี่ยเาต่อยอดของเขาได้ออกไปเรื่อย ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมานั่งนิ่งอยู่อย่างเดียวระหว่างนี้ก็กราบพระสามครั้ง